ข้อความเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่วมประบฤตยานกำลังดำเนินเรื่องมาถึงพระพุทธธรรมรัตตตอบคำกราบทูลถามของอุปการชีวกที่ว่าลูกกรณวุโสอินซีของท่านผ่องใส ย, ยิ่งนักผิวพันของท่านบริสุทธิ์ผุดฟอง ท่านบวชอุทิศใครใครเป็นศาสดาของท่านหรือท่านชอบใจธรรมของใครพระเจ้ารับสั่งเป็นประพันธ์คาถาความว่าเราเป็นผู้ครอบงำธรรมทั้งปวงรู้ธรรมทั้งปวงอันตราและทิธฐิไม่ฉาบทาแล้วในธรรมทั้งปวงและทาเป็นไปในภูมิสามได้หมด้นแล้วเพราะความสิ้นไปแห่งตัหา เราจะสรู้ยิ่งเองแล้วจะพึงอ้างใครเล่าอาจารย์ของเราไม่มีคนเช่นเราก็ไม่มีผุคคลเสมอเหมือนเราก็ไม่มีในโลกกับทั้งเทวโลกเราเป็นอรหันต์ในโลกเราเป็นศาสดาหาศาสดาอื่นยิ่งกว่าไม่ได้ เราผู้เดียวเป็นสมมาสมุทธะเป็นผู้เย็นใจดับทิเลธได้แล้วเราจะไปเมืองในแคว้นกาศีเพื่อประกาศธรรมจักรให้เป็นไปเราจะตีกรองอมตะในโลกอันมืดเพื่อให้สัตว์ได้ธรรมจักสุขพระพุทธะดํารัดแต่ละประโยคนั้นมีความสําคัญทุกๆข้อประการแรกคืออาจารย์ของเราไม่มี คำว่าอาจารย์ในที่นี้ก็คืออาจารย์ที่เป็นเหตุให้พระองค์ครอบงำธรรมั้งปวงรู้ธรรมั้งปวงแล้วก็หลุดพ้นจากตนาและทิฏฐิตนาทิฏฐิไม่สามารถจะฉาบทาประไทยของพระองค์ได้แล้วก็ละเหตุได้เกิดในภพทั้งสามประการ พีปก็ไทยหลุดพ้นแล้วเพราะสิ้นไปแห่งตัณหาด้วยการศัสรู้เพราะงั้นเหตุที่ให้ศัสรู้เนี่ยด้วยการศัสรู้เนี่ยพระองค์ไม่ได้อิงอาศัยใครเป็นการศึกษาค้นคว้าโดยพระองค์เองซึ่งก็ผ่านการลองผิดลองถูกมานานถึงหกปีทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ย ก็ทําให้พระสถานะของพระองค์สูงสุดในสามประเด็นคือคือจะต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ว่าเก่งกว่าคนอื่นหมดทุกเรื่องนะครคือเหนือกว่าคนอื่นเนี่ยคนอื่นจะเสมอเหมือนคนเช่นเดียวกับพระองค์ในสามเรื่องนี้ไม่มีคือหนึ่งเรื่องปัญญาที่เป็นเหตุแลตัสรูสองเรื่องความบริสุทธิ์ที่หมดจดขั้นกิเลสและวาสนา สามมีความกรุณาต่อสรรพสัตว์โดยไม่เฉพาะเจาะจงคือเป็นการมองแบบสบรรพสัตว์แต่ว่าในประเด็นอื่นๆเนี่ยยังเคยมีคราวหนึ่งพวกพราม์คณาจารย์เจ้ารทชิทั้งหลายเข้ามาประชุมกันแล้วก็มาประรบ ก, กันว่า บรรดาคณาจารย์เจ้าลัทธิทั้งหมดในสมัยนั้นก็เจดทั้งพระพุทธเจ้านะฮะรูทั้งหกพร้อมโดยพระพุทธเจ้าก็เป็นเจ็ดพระาศาสดาองค์ใดที่ลูกศิษย์นับถืออย่างจรดกระดูกทีเดียวก็มีการเสนอคณะาจารย์ทั้งหกมาโดยลําดับก็มีคนค้านและสุดก็จบลงด้วยการเสนอพระพุทธเจ้าโอ้เจ้านั้นสาวกนับถือจรดกระดูก พอดีพระเจ้าเสด็จไปท่านเหล่านั้นเห็นก็เข้ามาทูลเชิญให้แวะเข้าไปคุยกันแล้วก็พระเจ้าก็รับสั่งถ า, ถามถึงเรื่องที่เขาคุยกันแล้วก็หยุดไว้ในเรื่องอะไรพวกนั้นก็กลาบทูลในสงสารพระเจ้าก็รับสั่งถามว่าพวกท่านคิดว่าสาวกของเราเนี่ยนับถือเราก็เหตุอะไร ขณาจารย์เหล่านั้นบอกว่าเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงสันโดษด้วยปัจจัยทั้งสี่ทวดเจ้าบอกไม่ใช่หรอกคือถ้าเอาปัจจัยทั้งสี่มาเป็นตัวกรรําหนดเนี่ยเคลนอาหารสาวกของพระองค์บางรูปเนี่ยสันอานวรคัมโต้บางทีก็าสันครึ่งบาทบางทีก็าสั่นหมดบาทวันนี้ยานักถือกันเพราะเหตุอาหารน้อยเนี่ย ผู้ทหารน้อยกว่าก็จะไม่นับถือทีนี้ถ้าจะนับถือพูดเรื่องจีวรครือนุ่งหง่มพระภิกษุเป็นนันมากที่นุ่งห่มผ้าบางสกุลจริงๆคือเก็บม า, าปะติดปะตอกันจริงๆแต่พระองค์ก็ทรงจีวรตามได้บางครั้งประราชถวายเศรษฐีถวายเครืองปดีถวายช า, ายวพายุก็ถวายเป็นผ้าแพง มันจะผ้าเป็นเกณฑ์เนี่ยพวกสาวกกลุ่มนี้ก็จะไม่นักถือทีนี้จะถือเสนาชนะที่อยู่ที่อาศัยสาวกของพระองค์เป็นอนมากที่อยู่กลางแก้งอยู่คนไม้อยู่ป่าเป็นวัดเนี่ยถือทุดงค์เคร่งครัดพระองค์ก็พักตามอัฏฐยาใส่บางครั้งอาจจะอยู่ตามคนไม้ตามถ้ำตามเขาตามกุฏิตามปราสาท ตามอาการต่างๆคือไม่ได้เลือกอย่างนั้นแล้วถ้าถือว่ายาดองในือดมมุดน้าก็อีกแหละคือว่าสาวกของพระองค์เป็นนั้นมากที่ฉันจะดองหรน้ํามุดน้าจริงๆแต่พระองค์นั้นก็สมบุตามอัธยาศัยแล้วแต่จะมียาอะไรแต่การที่สาวกานัดถือพระองค์เนี่ยเพราะว่าพระองค์เป็นผู้ให้ ก็ไม่ได้หวังอะไรจากปรสสาวกโลกรวมไปถึงภภพเพราะ์ต่อปุกสาวะโลกทั้งหลายสาวกก็สํานึกขุนในฐานะที่เป็นผู้ให้เพราะเราจะเห็นว่าคําว่าคนเช่นเราก็ไม่มีบุคคลเสมอเหมือนเราก็ไม่มีเนี่ยไม่ว่าในโลกนี้โลกหน้าโลกไหนนะฮะเพราะว่าคนได้ดับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเรียกเป็นเอกกับบุคคลเป็นเอกกับบุรุษ นานๆโลกจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึง่งกิจโฉบุทานามุปาโดการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เป็นไปได้อย่างยากยิงเพราะฉะนั้นยังเรียกว่าเอ ก, ก บ, บุคคลลักษณะพระอเอ ก, ก บ, บุคคลเนี่ยเมื่อจะเกิดขึ้นในโลกก็จะเกิดขึ้นประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อกูนเก่ชนเป็นมากเพื่อความสุขเก่ชนเป็นมากเพื่อเป็นกา ร, รอุทธรต่อชาวโลก เพประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเอกบุคคลนั้นคือพระอาหารหันตสมาสัมพุทธเจ้าคนคนเช่นเดียวกับพระองค์คือมีปัญญามีความบริสุทธิ์มีความกรุณาเช่นเดียวกับพระองค์ไม่มีแล้วเสมอเหมือนพระองค์ก็ไม่มีเพระถ้ามีก็คือต้องพระพุทธเจ้าด้วยกัน แต่ทีนี้พระพุทธเจ้ามันก็มีกฎด้วยว่าพระพุทธเจ้านั้นจะไม่เกิดในจักรวาลเดียวกันในขณะเดียวกันเพราะเมื่อพระพุทธศาสนายัางดำรงอยู่เนี่ยไม่ต้องไปคิดหรอกจะไม่มีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นมาเพราะข้อที่เราไม่ควรลืมพระพุทธเจ้านั้นจะศัตรู้อนุตตรสมาสัมปธิญาณเป็นการศัต ร, รูดีศัตรูชอบโดยปรุงเอง แต่ถ้าคําสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระอง์หนึ่งยังปรากฏอยู่เนี่ยท่านที่เกิดมาสมมุติว่าเกิดรู้ก็ไม่เรียกว่าศัสรู้เขาเรียกวันลุกทำเพราะผ่านการศึกษาเรียนรู้มาจากธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงเอาไว้ไม่ว่าจะปรากฏอยู่ในตํารานในคัมภีร์ในพระไตรปิฎกอัตถกาถาอะไรก็ต า, ามานะบเพราะการพูดตรงนี้เป็นการยืนยัน ยืนยันสัจจภาวะคือความเป็นอารหันตสมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเราอย่าลืมนะฮะเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมันก็จบแล้วอ่ะสัตว์โลกมันก็มีแค่นั้นเด้งเทวดามนุษย์เนี่ยหมายถึงพร่งด้วยกระโปรงก็เป็นศาสดาแล้วก็โดยรวมก็คือเป็นผูู้เคราะห์ต่อโลกโลกก็คือสัตว์ตัวโลกเนี่เป็นหลักหมายถึงสัตว์ติดไรฉันด้วย นะอย่างบทบญญรรยายของสีข้อที่หนึ่งเนี่ยหมายถึงสัตว์ทุกชนิดสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กก็ตามก็หมายถึงสัตว์ทุกชนิดแล้วการแผ่เมตตาที่ใช้สเปสตาก็หมายถึงสัตว์ทุกชนิดนั้นแสดงถึงความกรุณาที่มีอยู่อย่างเปี่ยมล้นภายในพระทัยของพระองค์เพราะไม่มีใครสเสมอเหมือนพระองค์ในโลกนี้แล้วก็แม้แต่เทวโลก พราเราเป็น阿าหันในโลกคาว่า阿าหันนั้นก็มีความหมายอยู่หลายนัยยะด้วยกันแต่นัยยะหลักๆที่เราพูดกันโดยทั่วไปประการแรกก็คือหักกรรมแห่งสงสารจักรถามกรรมแห่งสงสารจักรคืออะไรก็อมองกลับไปที่ปฏิจจสมุปบาทในช่วงแรกนะฮะเราจะเห็นว่า อวิชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดปิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปเป็นต้นเนี่ยว่าไปผลกรรมแห่งสงสารจักก็คืออวิชาตันหาอุปาทานแล้วก็กลรรับหมายความมกิเลสกับกรรมตัวหลักจริงๆก็คืออวิชากับสังขารก็คือกิเลสกับกรรมพัวนี้ก็เป็นตัวสร้างปฏิสนธิวิญญาณเมื่อ ทั้งสาประการประกอบกันแล้วก็อาศัยรูปวัตถุคือการผสมกันระหว่างมารดาและบิดาพวนี้ก็เข้าสิ่งก็กลายเป็นชีวิตคือเป็นนามรูปขึ้นมาพระหานั้นได้ทําลายกิเลสดับดับหมดนะฮะดับแปบอวิชาดับอวิชาดับสังขารดับสังขารดับปัญญาดับปัญญาดับนามรูปดับก็ดับหมด ก็ทำให้ท่นพระองค์เป็นผู้ไกลจากกิเลสก็คงอยู่ในแวดวงที่คนก็มีกิเลสนั่นแหละแต่ว่าอารมณ์ที่มากระตุ้นอย่างเวลานี้เราจเจอมัลสื่อบางครั้งก็ค่อนข้างรุนแรงยังมีข่าวคราวทางหนังสือพิมพ์ที่พูดถึงอินเทอร์เน็ตพูดถึงอะไรอ่ะเนะียพูดถึงสื่อต่างๆพวกวิดีโอพวกหนังสือ ที่มันกระตุ้นราคะกระตุ้นโลภะกระตุ้นโทสะทั้งหลายเนี่ยเพิ่มพุ่ ง, งา่ายว่าเพิ่มความรุนแรงสมมุติว่าลงไปเพราบเห็นเหตุการณ์เหล่านั้นก็ไม่ได้เกิดความรู้สึกอะไรเพราะว่าพระไถยของพระองค์เหมือนกับก่อยตกคือว่าเหมือนกับใบบัวที่น้ําตกลงไปแล้วนีนเมื่อสึม กระจกเนี่ยแมลงวันหยอดไข่ลงไปมันก็ไม่เป็นไข่ขางก็ตายหมดคือไข่จะตายหมดเพราะอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยมาประหารทั้งหลายก็คงกระทบไปนะไม่จะถึงกับไม่ได้กระทบอารมณ์เพราะต้องเห็นรูปฟังเสียงดมกลินลืมรถจุ่ต้องยันนอนอ่อนแข็งอยู่เหมือนกันแล้วก็สึกนึกถึงอารมณ์ทั้งหลายอยู่เหมือนกันแต่ว่าอารมณ์ที่สึกนั้นก็เป็นธรรมะเป็นโลกุตตรกุศลหรือบางครั้งก็อาจจะสึกนึกที่เป็นโลกิยะ เพยจะแนะนำสั่งสอนบุคคลอื่นแต่พระไทยจริงๆนั้นเข้าถึงโลกุตตระพ้นกิเลสมันมีก็มีไปแต่ว่าไม่สามารถสืมทรยบได้อารมณ์ที่กระตุ้นราคาโลภะโทสะโมห oh ะมันก็กระตุ้นได้นะก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าพระไทยจะไม่หวั่นไหวไม่ขึ้นขึ้นลงลงไปตามเรื่องราวเหล่านั้น แล้วจะไม่ทำบาปแม้แต่ในที่หลับคือตามปกติคนเราอาจจะไม่ทำบาปในที่แจ้งต่อหน้าคนแต่ว่ารับหลังคนอาจจะทำแต่พระพุทธเจ้านั้นไม่มีการพูดบาปทำบาปหรือวความคิดบาปเพราะกิเลสเป็นเหตุให้คิดบาปมันไม่มีธรรมะก็เป็นอาวุธในยะ กลิ่นมือปูกควรไหว้ควรบูชาควรสักการะควรกระทําบุญควรกระทําอัญชลีควรประนมมือไหว้ของบุคคลเนี่ยมันได้ประโยชน์ทางนั้นคือคนที่เห็นพระพุทธเจ้าแม้ทําใจเรื่องใส่มันก็ได้บุญสามารถสร้างทางแห่งสุขติโลกสวรรค์ในเกตตนเองได้ดังนั้นคุณสมบัติเหล่านี้ก็จะทําให้พระองค์เป็นพระอรหันต์แต่เป็นอรหันต์ระดับสัมมาสมัมพุทธะ คือพระอรหันต์ที่สัตว์ูดีสัตว์สูสชอบโดยตรงเองเพราะพร ะ, ระอาหารหันต์นั้นพระประเจกรพุทธเจ้าก็เรียกว่าพระอาหารหันต์นะฮะแล้วก็พระอาหารหันต์ทั้งหลายก็เรียกว่าพระอาหารหันต์จนบางครั้งก็ไม่แยกคือไม่แยกก็ไม่ไม่ต้องใส่คำว่ารอาหารหันตถ้าสมานสมบุทธ์กันเราเป็นศาสดาหาศาสดาอื่นยิ่งกว่าไม่ได้ เพราะผสมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในโอกาส ต, ต่อไปนะฮะแต่นี้รับสั่งถึงสถานภาพของพระพุทธเจ้าซึ่งมีความเป็นสากุลหมายความมาต่อไปพระองค์ก็จะอยู่ในฐานะตรงนั้นแต่ในขณะนั้นเนี่ยยังไม่ได้เป็นศาสดาเพียงแต่ก็บอกกล่าวว่าจะเป็นศาสดาที่หาศาสดาอื่นยิ่งกว่าไม่ได้แล้วก็เสมอเสมอก็ไม่มีนะฮะ การพูดอย่างนี้ไม่ได้พูดยกปนข่มท่านไม่ได้พูดโดยมานนะแต่พูดโดยสัจจะภาวะหรือประกาศความจริงแล้วก็พิสูจน์กันได้ขนาดท่นานอาจารย์เจ้าลัที่ต่างๆที่มีอยู่ในสมัยนั้นก็ยังละเลิกลัที่ของตัวเองมานับถือพระพุทธเจา้าเป็นศาสดานั้นก็แสดงให้เห็นเรงความจริงประทรงเป็นศาสดาที่หาคนอื่นยิ่งกว่าไม่ได้หรือเสมอก็ไม่มี เพราะอะไรเพราะคนอื่นก็เป็นนัญญะดีระธีือนําไปสู่ที่ที่ไม่ใช่ตัวมรรคผลผนิพพานเพราะคำสอนระดับที่เรียกว่าเป็นฌานเนี่ยเป็นระดับปัญญาเนี่ยมันมีอยู่ก่อนระดับปัญญาห้านะฮะไม่ใช่ปัญญาหกนี่มีอยู่ก่อนหน้านั้นน่แต่พระเจ้าก็มาเข้าถึงระดับปัญญาหกแล้วก็ปัญญาแต่ละข้อนู้นก็เหนือกว่าคนอื่น คือความรู้อันยิ่งสูงสุดเพราะโดยสถานะพระองค์ก็เป็นศาสดาเหนือเทวดาทั้งหลายแล้วก็ประกาศยืนยันสถานะอีกอย่างหนึ่งก็คือเราผูด้เดียวเป็นสัมมาส ม, มุทธะคือสรุ้ดีสรุสสร้ชอบด้วยตนเองก็ตามที่เคยอธิบายไว้ในเรื่องปฏิจจสมบาท พระพุทธเจ้านั่นหนึ่งไม่มีสองอย่างที่บอกว่าไม่ไม่ว่าองค์นี้หรือองค์ไหนะนะฮะคือในยุคสมัยของแต่ละพระองค์นั้นพระองค์ก็เป็นหนึ่งไม่มีสองเมื่อมีพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งจัสรู้แล้วก็ไม่มีคนอื่นมาจัดสรู้คาว่าสมาสมมธิพุทธะก็คือศสรู้ในอริยสีโดยพระญานสามเป็นความรู้ที่ผุดขึ้น ด้วยความลองสังเกตว่าเราสามารถที่จะโดยเสด็จรอยอยุคนบาทของพระพุทธเจ้าโดยใช้ความสงบแล้วก็ปัญญามันพุดขึ้นในระดับที่อาจจะเป็นหนึ่งในล้านหนึ่งหลา ย, ล, ายล้านก็ตามนาแน่แสดงเห็นว่าทุกเนี่ยเราก็สามารถสงบได้สยบไปได้กิเลสยราสามารถลดได้บรรเทาได้ละได้ในบางบางจุด ซึ่งไม่แรงเกินไปแล้วก็รักษาช่วงตรงนั้นเอาไว้ได้วหลังอาจจะกำเนิดได้อีกก็อีกเรื่องหนึ่งกันนะฮะดังนั้นก็คิอว่าเราก็เดินบนเส้นทางตรงนี้คือสามารถปฏิบัติในทักษณะชิมดูชิมดูให้รู้อริยสัจโดยเสด็จรออยูุ่คนบาดพระพุทธเจ้าพระเจ้าทรงรู้ด้วยพยาญิอย่างข้อแรกรก็คือสัจญาณหรือว่า อะไรเป็นอะไรรู้ว่านี่ทุกนี่สมุทัยนี่นิโรถนี่มรรครู้ว่าทุกควรกำหนดรู้สมุทัยควรละนิโรดนรควรทนิโรแจ้งมารควรคนรคิรคนรคนิโรคนควรกนิคนดรู้เรคนดโรคนิรคนดโรคนิโรคนิโรคนิโรคนิโรคนิโรทนิโรคนิโรคนิรคนิรคนิ้รคนิโรนิโรคนิโรคควรทนิโรแจ้งเรานด้ทคนิ้แจ้งแร้วมโรคนรคิรคนิโรคริโเนรคนิโรคนิโรคนิโรคนิโรนิโรคนิคนิโรคิรคนิรคนิรคนิคน ความทุกข์ทั้งหลายไม่ว่าเป็นสภาวะทุกข์เกิดแก่ตายหรือว่าทุกข์ที่จรทั้งหลายเนี่ยจะมีปัญญารู้เท่าทันบรรเทาทุกข์สับ้างไปเอาเรื่องเอาราวอะไรมากเกินไปมันก็แบกโลกเอาไว้ก็หนักเปล่าๆก็พยายามบรรเทาทุกข์ไม่ไปยึดมั่นหรือมั่นอะไรมากเกินไปเราจะเห็นว่าสุขทุกข์จริงๆมันอยู่ที่การปรุงคิดคิดปรุงก้นใจเอง ใ่ว่าการพลาดพาดสูญเสียหรือว่าการร่มหมายตายจากหรืออะไรก็ตามคือถ้าเรามีปัญญารู้เท่าทันมันก็ไม่ถึงเป็นทุกข์อะไรเช่นสมมติว่าพ่อแม่ตายก่อนเราเนี่ยก็ยังไงท่านก็ตายแล้วนะฮะชยใจไปลงรัฐนนัตนเองแต่ว่าเรามองในแง่ของโอกาสว่าก็ดีเราพ่อแม่ตายก่อนเราในเราได้ทําศพของท่านให้เรียบร้อยสงกับลูกกตัญญู แต่ถ้าเราตายก่อนพ่อแม่นี่แย่เลยพ่อแม่ต้องเป็นภาระจากการชาบนากิจศพเราและตอนท่านตายแล้วใครจะมาทำให้ตามปกติคนที่เราเผาเขาเนี่ยเขาก็ไม่ได้เผาเราคนที่เผาเราเราก็ไม่ได้เผาเขาเราก็กลายเป็นโอกาสทีกคือคิดได้ก็บรรเทาทุกข์ลงไปได้อย่างที่พระเจ้าสอนให้พิจารณา ถึงเรื่องทุกสามสามสี่เรื่องเนี่ยเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่รุวงพ้นความแก่ไปได้เรามีความเจ็บไายเป็นธรรมดาไม่รุวงพ้นความเจ็บไายไปได้เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่รุ่งพ้นความตายไปได้เราจะต้องพัพรากจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งปวงไปแล้วก็พิจารณาก็เกิดจริงจริงก็ทําใจได้ เ้าทำไปได้มันก็ตรงดำหลักที่ท่านแสดงไวในอุนทันธรรมที่ว่าสุขทุกข์อยู่ที่ใจไม่ใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใส่ใจไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจเราอยากได้ความสุขเราทุกนาก็เป็นปัญหาที่พยายามถามตัวเองแล้วก็หาคำตอบให้ได้แล้วก็บรนเทาคือไม่ไปซ้ำเติมตัวเองอะ่ะยังไงว่าแก่แล้วเจ็บแล้วตายแล้ว หาโอกาสหาประโยชน์จากตรงนั้นไ ด, ได้ประการต่อไปก็คือเรื่องสมุทยัยก็เห็นชัดนะฮะว่ากิเลสยังน้อยที่สุดเนี่ยอย่ารู้อำนาจแก่กิเลสอย่าทาอะไรตามอานาจของโลภะโทสะโมหะวันก่อนเห็นหนังสือพลาดหัวแล้วก็ตกใจคือไม่ไม่ได้อ่านนะ คนก็ซื้อซื้อถวายนั่งไว้ในรถเห็นผ้าหัวแล้วก็ไม่กล้าอ่านพี่ชายอ่านหนังสือโปแล้วเกิดความรู้สึกขึ้นมาคมคืนน้องสาวน้องสาวไม่ยอมฆ่าตายผ้าหัวอย่างนั้นเราสยองหมดเลยเป็นปัญหาที่น่ากลัวนั่นคืออะไรคือว่าขนาดน้องตัวเองเนี่ยบรเท่าไม่ได้ แล้วจะทำยังไงจะอยู่กันในโลกได้ยังไงเพราะมั่ต้องสามารถบรรเทาได้มนุษย์มันต้องมีหิริมีโอตปะอยู่ระดับหนึ่งนะในเครือญาติตัวเองเนี่ยไม่ควรจะไปวุ่นวายขนาดนั้นหรือไม่ใช้วิธีการรุนแรงต่างๆเมงก่อนที่มีการสัมภาษณ์ทั้งคนซึ่งไปเจอเหตุการณ์รุนแรง โลมำนาจแก่รมของคนก็บอกโอ้โหก็ยังนึกว่าสัตว์มนุษย์เนี่ยบางทีมันน่ากลัวกว่าสัตว์ดิบชาติระตั้งแต่เาใชอารมณ์ายกิเลสมากเกินไปลุอำนาจแก่ราะโลภโทสะ โ, โมหามันแรงเกินไปก็พยามองเห็นเทาก็บรรเทามันพอได้มันก็ดับได้ในขณะนั้นนั้นมันก็กลายเป็นนิโรธระดับหนึ่ง กราเรียกว่านิโรดอย่างอ่อนๆหรือนิพานอ่อนๆนิพานดิบๆแต่ก็ดีกว่าไม่ได้ฝึกจิตและพยายามครองชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่าทํายังไงให้มีสมาทิฏฐิหรือสัมมาสังกัปปะล่ะคิดชอบก็เห็นชอบเป็นชอบก็คิดชอบเ้องให้ได้ทักอย่างมันจะเป็นปัจจัยเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เพราะว่ามนุษย์เรายังไงเนี่ยมันก็ามาจากความคิดปฤติกรรมต่างหลายของมนุษย์ก็มาจากคิดอย่างไรเนี่ยปัญหาเรื่องใหญ่ที่สุดก็คือปัญหาว่าเขาคิดอย่างไงแต่คิดดีก็ทําให้ทําดีพูดดีที่ชั่ชวก็ทําให้ทำ ช, ชัว่วพูดชั่วความคิดจึงเป็นตัวกําหนดที่มีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งโดยเหตุเพียงเท่ า, ทานี้ชื่อว่าโดยเสด็จไปตาม เส้นทางนะฮะรอ ย, อยุคนบาดของพระพุทธเจา้าก็เรียกว่ารู้ได้ระดับหนึ่งแต่ว่าความรู้ในความหมายนี่กิเลส ต, ต้องลดนะคือถ้ากิเลสยังไม่ลดก็ไม่ได้ถือว่ารู้จริงแต่ถ้ากิเลสลดก็รู้จริงในฐานะนั้นๆคือยังไม่ใช่ฐานะที่สมบูรณ์หรอกแต่ว่ามันก็ดีกว่าที่จะรู้อำนาจแก่ กิเลสซึ่งเกิดขึ้นภายในใจคือออกไปเต็มที่เนี่ยมันก็เป็นภัยเป็นอันตรายเป็นอนาชกรรมน้องทราบกันทั้งฟังทั้งหลายแต่โลวงพอพทิยานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้อ ง, งามไปบูรในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี